ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยาสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมกแปลเรื่องที่สิบสองรูปิยาดิปฏิคหานะวินิจยะกถากาะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการรับรูปิยะอัตถกถารูปิยะสิกขาบทใน กฎสิยาะวะนิสัญยะปัญจีติขาบทที่แปดการรับรูปิยะเป็นต้นคือการรับเงินทองเป็นต้นในบรรดาทองเป็นต้น น, นั้นนิสััญยะวัตถุมีสี่อย่างคือทองเงินมาศทองมาศเงินมาสกที่ทำด้วยแร่ทองแดงเป็นต้นชื่อว่าโลหมาศมาสกที่ทำด้วยไม้แก่นก็ดีด้วยข้อไม้ไผ่ก็ดีโดยที่สุดแม้มากที่ทาด้วย ใบตาลสลักเป็นรูปชื่อว่ามาสกไม้มาสกที่ก็ทำด้วยครั้งก็ดีด้วยยางก็ดีดุลให้เกิดรูปขึ้นชื่อว่ามาสกยางมาสกใดๆก็ตามที่ใช้เป็นมาตราซื้อขายในชนบทในเวลาซื้อขายกันโดยที่สุดทำด้วยกระดูกบ้างทำด้วยหนังบ้างทำด้วยมเมล็ดผลไม้บ้างดุลให้เป็นรูปบ้างไม่ได้ดุลให้เป็นรูปบ้าง วัตถุทั้งสี่แม้ทั้งหมดนี้สงเคราะห์เข้าด้วยมาสกเงินสิ่งเหล่านี้คือมุกดามณีไพฑูรยส์สังติลาประพานทับทิมมรกฏธัญชาชาเจ็ดชนิดท่าหญิงท่าชายนาไรสวนดอกไม้สวนผลไม้เป็นต้นจัดว่าเป็นวัตถุที่ทำให้เป็นอาบัตทุกกฎแล้วก็เป็นอนามาตรวัตถุด้นะไม่ควรจับต้อง ในเรื่องนี้ภิกษุจะรับนิสักยีวัตถุเพื่อประโยชน์แก่ตนหรือเพื่อประโยชน์แก่สงฆณะบุคคลและเจดีย์ย่อมไม่ควรเมื่อเธอรับเพื่อประโยชน์แก่ตนเป็นนิสักยีปจิตตีรับเพื่อประโยชน์แก่สิ่งที่เหลือก็คือเพื่อสงฆ์ก็ดีคณะบุคคลเจดีย์ก็ดีแม้ก็ทั่งรับเพื่อพ่อแม่ก็อาบัตทุกกฎรับทุกกฎวัตถุเพื่อประโยชน์แม้แก่สิ่งทั้งฟวงก็เป็นอาบัตทุกกกัน ก็คือรับพวกมดีพวกไพทูรสังนาร่เงินท่าชทายทาตหญิงพวกนี้ก็บัตรทุกกฎนะในเรื่องนี้มีวนิชัยดังต่อไปนี้ถ้าใครใครนำเอาทองและเงินมากล่าวว่าข้าพเจา้าถวายทองและเงินนี้แก่สงท่านทั้งหลายจงสร้างอารามเจดีย์หรือหอฉันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจะรับทองและเงินแม้ดีไม่ควรก็ถ้าเมื่อพิษุห้ามว่า ที่สุดทั้งหลายจะรับทองและเงินนี้ไม่สมควรเมื่อเขาคือผู้ที่ถวายทองและเงินนั้นกล่าวว่าทองและเงินจะอยู่ในมือของพวกช่างไม้หรือพวกกรรมกรท่านทั้งหลายจงรับทราบการงานที่ก่อําดีและไม่ดีอย่างเดียวดังนี้แล้วมอบไว้ในมือของพวกช่างไม้หรือพวกกรรมกรเหล่านั้นจึงหลีกไปอันนี้ก็สมควร คือมามอบเพ้พระพิตรุไม่ได้แต่ท่านก็จะมอบให้ในมือของพวกจ้งางไม้หรือว่าวิทวุกรต่างๆแล้วก็ให้พิตรุคอยดูแลเรื่องของการก่อสร้างต่างๆก็สมมุติเป็นพิตรุนวกรรมอะไรไปก็สมควรถ้าแม้เขากล่าวว่าทองและเงินจะอยู่ในมือของพวกคนของผมเองหรือว่าจะอยู่ในมือของผมเองท่านเพิ่งส่งข่าวไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เราจะต้องให้ทองและเงินเขาอย่างเดียว แน่อย่างนี้ก็ควรก็ทว่าพวกเขาไม่ระบุสงฆ์คณะหรือบุคคลกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเงินและทองนี้แก่เจดีย์ถวายแก่วิหารถวายเพื่อนนวกรรมดัง น, นี้ที่สุดจะห้ามไม่ควรก็คือไม่ควรจะห้ามนะเพิงบอกแก่พวกกับปิยาการกว่าทายกเหล่านี้พูดอย่างนี้ก็ให้ตัวบอกกับปิยาการกก็ไม่ต้องห้ามการไม่ห้ามก็ถือว่าเป็นการรับนั่นแหละ ว่าเขาไม่ไดถวายสง์หรือว่าถวายคณะบุคคลก็ไม่เป็นไรถวายพวกเจดีย์พวกวิหารอย่างนี้ได้แต่เมื่อเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับเก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่เจดีย์เป็นต้นเถิดพึงห้ามว่าการที่พวกเรารับไว้ไม่สมควรต้องเอาไว้สำเภาอุปัชกรแต่ถ้าคนบางคนนำเอาเงินและทองมามากถวายว่ากข้าพเจ้าขอถวายเงินและทองนี้แก่สง์ท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยตีเถิด สร้างสงรับเงินและทองนั้นเป็นอาบัติทั้งเพราะรับทั้งเพราะบริโภคถ้าบรราดาที่สูดานั้นที่สูดรูปหนึ่งห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรและอุปสกล่าวว่าถ้าไม่ควรจะเป็นของผม เ, เองดังนี้แล้วถือเอาเงินทองนั้นไปทิสูดนั้นอันที่สูดบางรูปไม่พึงกล่าวอะไรอะไรว่าเธอทําอันตรายลาภของสมเพราะทิสูุใดโจทย์เธอทิสูดนั้นเป็นผู้มีอาบัติติดตัวคนโจทย์ก็มีอาบัติเอง เพรว่าประโยชน์ในที่ไม่ถูกต้องแต่เธอรูปเดียวกระทําภิกูุเป็นอันมากไม่ให้เป็นอาบัติก็ถ้าว่าเมื่อพิกูุ์ทั้งหลายห้ามว่าไม่ควรเขากล่าวว่าจักอยู่ในมือของพวกกับพิยาตารกหรือจักอยู่ในมือของพวกคนของผมหรือในมือของผมท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยทั้งหลายอย่างเดียวเท่านั้นดังนี้สมควรอยู่อันหนึ่งเขาถวายเพื่อประโยชน์แก่จตุ ป, ปัจจัยพึงน้อมไปเพื่อปัจจัยที่ต้องการ เขาถวายเพื่อประโยชน์แกจีวรเพึ่งน้มไปในจีวรเท่านั้นถ้าว่าไม่มีความต้องการจีวรนั้นสงลำบางด้วยปัจจัยมีบินทบาทเป็นต้นพึง อ, อับโลกเพื่อความเห็นดีแห่งสงแล้วโน้อมไปเพื่อสิ่งนั้นแม้เขาถวายเพื่อประโยชน์แกบินทบาทเป็นต้นและเมื่อขถวายบินทบาทและทีแล้ปัจจัยก็ในนี้อันหนึ่งอากัศย้ยวัตถุที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แกเสนาสนะ พึงน้อมไปในเสนาสนะเท่านั้นเพราะเสนาสนะเป็นครุพันก็ทว่าเมื่อพวกทิจุละทิ้งเสนาสนะไปเสนาสนะจะเสียหายในการเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ทิจุทั้งหลายแม้จําหน่ายเสยนาสนะแล้วบริโภคปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาเสนาสนะไว้ทิกจุอยากกระทํำให้ขาดบุญค่าคือไม่ให้ขายทั้งหมดแต่ว่าเอาเฉพาะบางส่วน เพือบริโภคค อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปถ้าคใครๆกล่าวว่าบึงใหญ่ปลูกข้าวกล้าได้สําเร็จปีละสามครั้งของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าขอถวายบึงใหญ่นั้นแก่สงถ้าสงรับบึงใหญ่นั้นเป็นอาบัติทั้งในการรับทั้งในการบริโภคเหมือนกันแต่ทิ่สุดใดห้าบึงใหญ่นั้นทิ่สุดนั้นอันที่สุดบรรลุไม่ควรกล่าวอะไรอะไรโดยในก่อนเหมือนกัน เพราะว่าพิษุไดโจทเธอพิษุนั้นนั่นเองมีอาบัตติดตัวแต่เธอรูปเดียวได้ทำให้พิสุมากรูปไม่ต้องอาบัตอันหนึ่งผู้ใดแม้กล่าวว่าขับจ้าถวายบึงใหญ่เช่นนั้นเหมือนกันถูกพวกพิสุห้ามว่าไม่ควรถ้าเขาคือคนที่จะถวายบึงถูกปฏิเสธแล้วยังกล่าวว่าบึงนู้นและบึงนู้นของสงมียูบึงนั้นเขาถวายได้อย่างไรย่อมควรได้อย่างไร พึงบอกเขาว่าเขาจะทําให้เป็นกัปปิยะแล้วถวายกระมังก็คือต้องทําให้เป็นกัปปิยะนั่นแหละเขาถามว่าถวายอย่างไรจึงจะเป็นกัปปิยะพึงกล่าวว่าเขากล่าวถวายว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยสีเถิดดังนี้ควรอยู่ถ้าหากเขาถวายด้วยกล่าวว่ามีละขอรับขอท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยสีเถิดดังนี้ย่อมควรถ้าแม้เขากล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงรับบุญเถิด ถูกพวกมิสูทั้งหลายห้ามว่าไม่ควรแล้วถามว่ากับระยการกดีอยู่หรือเมื่อมิกษุตอบว่าไม่มีจึงกล่าวว่าคนชื่อนู้นจับจัดการมึงนี้หรือว่าจะอยู่ในความดูแลของคนนู้นหรือในความดูแลของข้าพเจ้าขอสงจงบริโภคกับรยะพันเธอดังนี้จะรับก็ควรอยู่มีคนดูแลให้ก็รับได้ถ้าแม้ว่าทายกนั้นถูกมิสุห้ามว่าไม่ควรแล้วกล่าวว่า คนจับบริโภคน้ำจับซักล้างติดของพวกเนื้อและนกจับดื่มกินแล้การกล่าวอยู่นี้ก็สมควรเพราะฉะนั้นพิกจุก็เป็นคนเหมือนกันก็ใช้ใช้ได้บริโภคได้ถ้าแม้ว่าทายกถูกพิกจุห้ามว่าไม่ควรแล้วยังกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจอมรับโดยมุ่งถึงการสมควรเป็นใหญ่เถิดพิจุจะกล่าวว่าดีละอุบาสกสงจากดื่มน้ำจับซักล้างติดของพวกเนื้อและนกจับดื่มกินดัง น, นี้ บริโภคก็สมควรถ้าแม้เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายบืงหรือสัโบคารมีของข้าพเจ้าแก่สงทิกสุจะกล่าวคาเป็นต้นว่าดีละอุบาตกสงจะดื่มน้ําจะบริโภคก็สมควรก็ถ้าพวกทิสุขอหัตกรรมและขุดกัปปิยะปัตถีก็คือปัตถีที่ไม่ใช่เป็นปัตถีแท้เป็นกัปปิยะเหมาะสมสมควรด้วยมือของตอนเองให้เป็นสระน้ําเพื่อต้องการใช้น้ํา ถ้าพวกชาวบ้านอาศัยสระนั้นทเข้ากล้าให้สําเร็จแล้วถวายการปิยพันธ์ในวิหารควรอยู่ถ้าว่าพวกชาวบ้านนั่นแหละขุดพื้นที่ของสงเพื่อต้องการอุปการะแก่สงแล้วถวายการปิยพัณฑ์จากกล้าที่อาศัยสระน้ำ น, นั้นสําเร็จแล้วการปิยพัณฑ์แมดีก็สมควรก็เมื่อเขากล่าวว่าถ้าทั้งหลายจงตั้ง ก, า, การปิยกิรโรคให้พวกผมคนหนึ่งแม้ที่ตุจะตั้งก็ได้ อันหนึ่งถ้าพวกชาวบ้านนั้นถูกราชภีรบ ก, กวนพากันหนีไปชาวบ้านอื่นกระทำต่อและไม่ถวายอะไรอะไรแก่พิกษุทั้งหลายพวกพิกษุห่วงห้ามน้ำก็ได้ก็แลการห่วงน้ำนั้นย่อมได้ในฤดูทานาเท่านั้นไม่ใช่ในฤดูข้ากล้าถ้าพวกชาวบ้านกล่าวว่าท่านขรับแม้เมื่อก่อนพวกชาวบ้านได้อาศัยน้านี้ทำข้าวกล้านวิใช่หรือเมื่อนั้นพึงบอกพวกเขา ว, ว่า พวกนั้นเขาได้กระทำอุปการะอย่างนี้และอย่างนี้แต่สงและได้ถวายแม้กัปพิยพัน์อย่างนี้ถ้าว่าพวกเขากล่าวว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็จักถวายดังนี้แล้อย่างนี้ก็ควรก็ถ้าว่าพิสุบางรูปไม่เข้าใจรับสัตรหรือให้สร้างสัตโดยอักัปิยโวหารสะนั้นพวกพิสุไม่ควรบริโภคใช้สอยแม้กัรพิยพันธ์ที่อาศัยสัต น, นได้มาก็เป็นอักัปิยะเหมือนกัน ถ้าเจ้าของศักะบุตรและกิดตาของเขาหรือใครๆอื่นผู้เกิดในสกุลวงของเขาทราบว่าที่สุดทั้งหลายสละแล้วจึงถวายด้วยกับปิยโวหารใหม่ศนนจึงสมควรเมื่อสกุลวงของเขาขาดศูนย์ผู้ใดเป็นเจ้าของชนบทนั้นผู้นั้นรีบเอาแล้วถวายคืนด้วยกับปิยโวหารเหมือนราชชั้นเหสีนามว่าอนุลา ทรงรีบเอาฝายน้ำที่พิจตุในกิตตล ร, รดาบรรพศชักมาแล้วถวายคืนฉะนั้นแม้อย่างดีก็สมควรจะทำการโกยดินขึ้นและกั้นคันสะใหม่เป็นต้นในสะที่รับไว้ด้วยอำนาจเห็นน้ำแม้เป็นกัปปิยะโวหารย่อมควรแก่พวกพิจตุผู้มีจิตบริสุทธิ์แต่การที่พิจตุเห็นพวกชาวบ้านอาศัยสะนั้นทำเข้ากล้าอยู่จะตั้งกัปปิยะการกไม่ควร ถ้าพวกเขาถวายกับอยา่าพันเตเองควรรับถ้าพวกเขาไม่ถวายก็ไม่ควรทวงการที่จะตั้งกับยิาการรกในสระที่รับไว้ด้วยอํานาจปัจจัยสี่ควรอยู่แต่จะให้ทําการโกยดินขึ้นและกั้นคันสะเป็นต้นไม่ควรถ้าพวกกับยิยการกกระทำเองเท่านั้นจึงควรเมื่อรักีภิกษุผู้ไม่ฉลาดใช้พวกกับยิยการกให้ทําการโกยดินขึ้นเป็นต้น สระน้ำจะเป็นกัปปิยะในเพราะการรับแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็เป็นการบริโภคไม่ดีดุจบินทบาตที่เจือยาพิษและดุจโภชนะที่เจือด้วยรถอัคบิยะมังสะฉะนั้นการที่ใช้กัปปิยะการรบ ก, กยดินขึ้นจากสระน้ำถือว่าเป็นอัคบิยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรฉะนั้น เพราะกับอิยัณฑ์ที่เจอได้สิทธิของอันเกิดจากประโยคของพิกษุเป็นปัจจัยเป็นอคติยะแก่พวกพิกษุทุกรูปถ้าโกยดินแท้เป็นอัคติยะแต่ถ้าโกยดินเหลวที่เป็นเปือกตมอันนี้ก็ไม่มีโทษอะไรแต่ถ้ายังมีโอกาสเพื่อน้ำพิกษุจะจัดการเฉพาะน้ำเท่านั้นอย่างนี้ว่าท่านจงทําเพื่อให้คันของศาสนั้นมั่นคงจะได้น้ำมาก คือจงทําให้น้ําเอ่อขึ้นปลิ้นฟังดังนี้ควรอยู่คือใช้กับยาหานี้ได้จนทั้งหลายกําลังดับไฟที่เตาไฟจะกล่าวว่าพวกท่านจงได้อุ่กะตะามก่อนเทิดอุบาสกทางนี้ก็ควรก็ให้เอาน้ํำมาแต่จะกล่าวว่าถ้าจงทําเข้ากล้าแล้วนอนมาไม่ควรก็ท้าว่าที่ตุเห็นน้ำในสระมากเกินไปให้ชักเหมืองออกจากด้านข้างหรือว่าด้านหลัง ให้ถางป่าให้ทำคณะทั้งหลายไม่ถือส่วนปกติดนนาเดิมถือเอาส่วนที่เกินกะเกณฑ์เอาก ห, าปหัปณะว่าท่านทั้งหลายจงให้ก ห, ปหัปณะประมาณเท่านี้ในเข้ากล้านอกฤดูการหรือในเข้ากล้าใหม่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้เป็นอากัปยะแก่ภิกษุทุกรูปเลยอันนี้ก็เป็นผู้ที่จัดการกร ห, ปรหัปณะก็ไม่เหมาะสมอนหนึ่งภิกษุใดไม่ได้กล่าวว่าพวกท่านจงไถจงวาน กำหนดพื้นที่อย่างดีว่าสําหรับพื้นที่เท่านี้มีส่วนชื่อประมาณเท่านี้ก็ดีเมื่อพวกชาวนากล่าวว่าพวกกระผมทําเข้าวกล้าในส่วนพื้นที่เท่านี้ท่านทั้งหลายจงถือเอาส่วนชื่อประมาณเท่านี้เอาเชือกหรือไม้ท้าวัดเพื่อกําหนดประมาณพื้นที่ก็ดียืนรักษาอยู่ที่ลานก็ดีให้ขนออกจากรานไปก็ดีให้เก็บไว้ในฉางก็ดีผลที่เกิดขึ้นจากพื้นที่นั้นเป็นอากัศยักษ์แฉพิษุ รูปนั้นเท่านั้นเป็นผู้ที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่เหมาะสมถ้าชาวนาทั้งหลายนำกหาปณ ะ, ะมากล่าวว่ากหาปณ ะ, ะเหล่านี้พวกผมนำมาเพื่อสงฆ์และที่สุดรูปใดรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านจงนำผ้ามาด้วยกหาปณ ะ, ะเท่านี้จงจัดข้าวยาคูเป็นต้นด้วยกหาปณ ะ, ะเท่านี้ด้วยความสำคัญว่าสงฆ์ไม่รับกหาปณะนะคือไม่รับประถูกแล้วแต่ว่าต้องให้กติยะการกจัดการ แต่นี้ไปจัดการเองสิ่งของที่พวกเขานํามาเป็นอกักบยะแก่พวกพิจุทั่วไปถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะพิจุจัดการกหบอาภรณ์ไปสู่ไม่ควรจะไปจัดการด้วยกหอาภรณ์แมว่าเขานํามาถวายกระสงก็กวรห้ามแล้วก็ดีกับยาคารตกก็ให้เขาไปพิจารณาให้ไปพูดกับขปยาการตกถ้าพวกชาวนานํำข้าวเปลือกมากล่าวว่าข้าวเปลือกนี้ผมนํามาถวายเพื่อสง และพิสูตรรูปใดรูปหนึ่งกล่าวว่าผู้ท่านจงนําเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้มาด้วยข้าเปลือกประมาณเท่านี้โดยในก่อนนั่นแลสิ่งของที่พวกเขานํามาเป็นอกักบิยะเฉพาะแต่พิกษุนั้นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราพิกูจจัดการข้าวเปลือกถ้าจัดการภาปนะที่ได้วัตถุมานี้ไม่ควรกับพิกษุทุกรูปแต่ถ้าจัดการข้าเปลือกได้มาก็ไม่ควรกับพิกูตรรูปที่จัดการรูปเดียว ถ้าพวกเขานํำข้าวสารหรืออัปรณชาติมีพวกถูกเขียวเป็นต้นมาแล้วก็กล่าวว่าพวกผมนำสิ่งของนี้มาเพื่อสงฆและพิสูรรูปใดรูปหนึ่งกล่าวว่าผู้ท่านจงนำเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้มาด้วยข้าวสารมีประมาณเท่านี้ก็คือเอาไปแลกมาโดยในก่อนนั่นและสิ่งของที่พวกเขานํามาเป็นกับปิยะแก่พิกษุทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะพิกูจจัดการข้าวสารเป็นต้นที่เป็นกับปิยะไม่เป็นอบัตในเพราะ ซื้อขายเพราะบอกกับปิยการบพจนราะะนนพิสุทธิ์ไม่ควรจัดการสหปณะนะถ้าจัดการสิทธิ์ขอได้มาก็เป็นอาคบิยะแท้ที่สุดทุกรูปเลยแต่ว่าไม่ได้มีแสดงอมาตย์ไว้พิกษุทธิไม่ควรจัดการเข้าเปลือกด้วยถ้าจัดการสิทธิ์ขอที่ได้มาก็ไม่ควรแต่พิกษุผู้จัดการเท่านั้นแต่ว่าพิกษุสามารถจัดการข้าวสารแล้วก็อปรณชาติได้สิทธิ์ขอที่ได้มาก็ควรแต่พิกษุทธิ์ทุกรูป แต่ในครังก่อนที่สุรูปหนึ่งที่จิตละล้างบัณฑ์พได้กระทำุญทลคือรูปดวงจันทร์ไว้ที่พื้นดินใกล้ประตูสาราสีมุกเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่พวกคนวัดโดยรำพึงว่าโอ๋หนอพวกคนวัดพึ่งทอดขนมประมาณเท่านี้เพื่อสมในวันพรุ่นี้อารามพิการชนผู้ฉลาดเหตุมุฑท น, นั้นคือรูปดังดวงจันทร์เนี่ยแล้วได้ทําอย่างนั้นในวันที่สอง เมื่อพวกเขาตีกรองประชุมจกแล้วจึงถึงขนมไปเรียนพระสังข้าเถระว่าท่านขอรับในการก่อนนี้พวกผมไม่เคยได้ยินบิดามารดาไม่เคยได้ฟังปู่ย่าตายายบอกเล่าเหตุการณ์อย่างนี้เลยพระกุศเจ้ารูปหนึ่งได้ทําเครื่องหมายที่ประตูสาราสีุ่กเพื่อประโยชน์แต่ขนมแัดนี้จำเดิมแต่นี้ไปพระกุศเจ้าท้งหลายจะบอกตามความพอใจของตนของตนเชิดแม้พวกผมก็จะอยู่ผาสุก นั่มหาเถระกลับจากที่นอนทันทีแม้พิษุรูปหนึ่งก็ไม่รับขนมเลยในการก่อนพิษุทั้งหลายย่อมไม่ฉันแม้ขนมที่เกิดขึ้นในอารามน้อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพิษุผู้ไม่ประมาทไม่ละการปฏิบัติขัดเกล่าไม่พึงกระทำความโลเลเพื่อประโยชน์แก่อามิษแม้ในสิ่งที่เป็นกัปติยะฉดิแลเหมือนกับพระสารีบุตรบอกกับพระโมคคัลนะเพราะว่าตัวเองป่วยก็เคยฉันข้าประยาดืน้าน้อย พรนะโมคัลละนก็เลยเข้าไปในบ้านแต่เอาข้าวปลายาดีน้ำน้อยมาท่านก็คิดถึงว่าเอ๊ะเรามีวาจาหรือยายาไปไม่เหมาะสมเลยก็บอกให้พระเถระเอาไปทิ้งพออาเบกข้ามทิ้งลงเท่านั้นเองท่านก็หายป่วยจากโรคควจริงแล้วก็เป็นกับยา่ากัว่ท่านมากน้อยสะโดดมากแล้วก็ไม่อยากจาง เ, เป็นเยี่ยงอย่างแก่ที่สูรุ่นหลานที่ไม่อดทนอันหนึ่งแม้ในสัตบคคลรรีฝ่ายและเหมือนเป็นต้นก็มีในดำที่กล่าวไว้แล้วในเบื้งนี้เหมือนกัน แม้เมื่อทายกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายนาหรือว่าสวนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูกปุพานชาติอปรณชาติอ้อยและผลไม้น้อยใหญ่เป็นต้นทิสุพึงห้ามว่าไม่ควรแล้วปฏิบัติโดยในดังกล่าวแล้วในสระนั่นแลในเวลาเขากล่าวด้วยกับยยะโอหันว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อประโยชน์แต่การบริโภคปัจจัยตีทิสุควรรับ และเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายสวนถวายป่าควรจะรับไว้เพราะพวกชาวบ้านมีได้ถูกพวกพิสูจน์บังคับเลยตัดต้นไม้ในป่านั้นยังอรารณชาติเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้วถวายสวนแบ่งแก่พิสูจ์ทั้งหลายจะรับก็ควรเมื่อพวกเขาไม่ถวายไม่ควรทวงถ้าเมื่อพวกเขาพากันอพยพไปเพราะอันตรายบางอย่าง คนพวกอื่นทําและไม่ถวายอะไรอะไรเลยแต่ทิกสุดท้งหลายพึงห้ามชนเหล่านั้นถ้าพวกเขากล่าวว่าแม้เมื่อก่อนพวกชาวบ้านได้กระทํำข้าวกล้าในที่ดี้ไม่ใช่หรือขอรับลําดับนั้นพึงบอกเขาว่าพวกนั้นเขาได้ให้กับอิยาพันอย่างนี้อย่างนี้แต่สมถ้าพวกเขากล่าวว่าแม้พวกผมก็จัดถวายอย่างนี้ควรอยู่พวกเขากล่าวหมายถึงภูมิประเทศที่เพาะปลูกข้าวกล้า บามแห่งว่าข้าพเจ้าจะถวายเขตแดนควรอยู่แต่พิกูุทั้งหลายไม่ควรปักเสาหรือวางเห็นเพื่อกำหนดเขตแดนเองเพราะเหตุไรก็ธรรมดาว่าแผ่นดินมีค่านับไม่ได้พิกูจจะพึงเป็นบาราชิกแม้ด้วยเหตุเล็กน้อยแต่พึงบอกพวกอารามิกชนว่าเขตของพวกเราไปถึงที่นี้ก็ถ้าแม้ว่าพวกเขาถือเอาเกินไปก็ไม่เป็นอบัตเพราะกล่าวโดยปริยายไม่ได้กล่าวตรงตรง ก็ถ้าว่าพระราชาและราชมหามาเป็นต้นให้ปักเสาเองแล้วถวายว่าขอท่านทั้งหลายจงบริโภค ป, ปจัจจัยสี่เถิดการถวายนั้นควรเหมือนกันถ้าใครใครขุดสะภายในเขตแดนตีมาหรือไขเหมือมไปโดยท่ามกลางวัดย่อมทำลายลานพระเจดีย์และลานโพเป็นต้นพึงห้ามถ้าสงได้อะไรอะไรบางอย่างแล้วไม่ห้ามเพราะหนักในอาบิษที่สูรูปหนึ่งห้าที่สูรรูปนั้นเท่านั้นเป็นใหญ่ ถ้าพิสูจนรูปหนึ่งกล่าวว่าพวกท่านโจงขายไปเถิดไม่ห้ามคือเป็นพระพวกของชาวบ้านหล่านั้นนั่นแลสงห้าสองเท่านั้นเป็นใหญ่จินมอยู่ในกรรมอันเป็นของสงที่ตุรูปใดทํากรรมเป็นธรรมที่ตุรูปนั้นเป็นใหญ่ถ้าแม้บุคคลที่ถูกพิสูจห้ามอยู่ยังขืนกระทำเพิ่งกลบดินร่วนที่เขาคุยไว้ข้างล่างถมข้างล่างกลบดินร่วนที่เขาคุยไว้ข้างบนถมข้างบนให้เต็ม พระมหาสุมาเทระกล่าวว่าถ้าใครใครประสงค์จะถวายอ้อยอัปรรณชาติหรือผลไม้เถาบีน้ำเต้าและฟักเป็นต้นตามที่เกิดแล้วนั่นแหละกล่าวว่าข้าพเจ้าจะถวายไร่อ้อยไร่อัปรรณชาติผลไม้เถาทั้งหมดนี้ดังนี้ไม่ควรเพราะเขาระบุพร้อมวัตถุก็คือพร้อมทั้งไร่ส่วนพระมหาปทุมะเถระกล่าวว่านั่นเป็นแต่เพียงโวหาร ด้าภูมิภาคนั้นยังเป็นของพวกเจ้าของอยู่นั่นเองเพราะเหตุนั้นจึงควรถ้ายกกล่าวว่าขับเจ้าถวายท่าการถวายนั้นไม่ควรเมื่อเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายคนวัดถวายเวยาวิชกรถวายกัปยาการกดรรนี้จึงควรถ้าอารามิกชนทําการงานของสองเท่านั้นทั้งก่อนพัดและภายหลังพัดพิสุพึงกระทำแม้การทยาบาลด้วยยาทุกอย่างแก่เขาเหมือนกับสามเณร ถ้าเขาทําการงานของสงก่อนพัดเวลาเดียวไปหลังพัดไปกระทําการงานของตนไม่พึงให้อาหารในเวลายเย็นแม้ชนจะพวกใดกระทําการงานของสงตามวาระห้าวันหรือว่าตามวาระปะในเวลาที่เหลือทําการของตนพึงให้พัดและอาหารแก่บุคคลพวกนั้นในเวลากระทบเท่านั้นถ้าการงานของสงไม่ดีพวกเขากระทํำการงานของตนเองเลี้ยชีพ ถ้าพวกเขานำเอามูลค่าหัตถกรรมมาถวายพึงรับถ้าพวกเขาไม่ถวายก็อย่าพึงพูดอะไรอะไรเลยการรับทาสยมท่าก็ดีท่าช่ำหูก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยชื่อว่าอาตรานิกระชนควรอยู่ถ้าพวกทายกกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายโคทั้งหลายดังนี้ที่สุพึงห้ามพวกเขาว่าไม่สมควรเมื่อมีพวกชาวบ้านถามว่าโคเหล่านี้ท่านได้มาจากไหน คุณบอกเขาว่าพวกบัณฑิตถวายไว้เพื่อประโยชน์แต่การบริโภคปัญจโครสเมื่อพวกเขากล่าวว่าแม้พวกผมก็ถวายเพื่อประโยชน์บริโภคปัญจโครสดังนี้ควรอยู่แม้ในปสัสสตวะมีแม่แพะเป็นต้นก็ในนี้แหละพวกชาวบ้านกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายช้างถวายมา้ากระบือไก่สุกรดังนี้ไม่กวรรับถ้าพวกชาวบ้านบางหมู่กล่าวว่าท่านขวรับขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด พวกผมจับพวกผมจับรับสัตว์เหล่านี้แล้วถวายกับปิยพันธ์แต่ท่านทั้งหลายแล้วรับไปย่อมควรจะให้ปล่อยเสียได้ป่าด้วยกล่าวว่าไก่และสุกรเหล่านี้จงอยู่ตามสบายเถิดตามนี้ก็ควรเมื่อเขากล่าวว่าพวกข้าเจ้าถวายสระนี้นาดีไร่ดีแต่วิหารที่สุดจะห้ามไม่ได้ฉดีิแลถ้าถวายสระนาไร่แต่สองนี้แต่บุคคล น, นี้ไม่ได้ไม่ควร แต่ถ้าถวายแจกวิหารถวายแจกเจดีอันนี Europe, origin, ้สมควรรับได้ต่อไปก็จะเป็นอัตตุขาทูตะสิกขาบทหรือว่าราชาสิกขาบทในนิสกิยาปฏิตีถ้ามีใครพึงส่งทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรมีเงินและทองเป็นต้นด้วยทูตเฉพาะพิกสุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรได้ทรัพย์สำหรับจ่ายีวรนี้แล้วยังพิสุเช่นนี้ให้ครองชีวรถ้าทูตนั้นเข้าไปหาพิสุนั้นพึ่งกลางอย่างนี้ว่า ทรัพย์สำหรับจารีวรนนี้นามาเฉพาะท่านขอท่านยอรับทรัพย์สําหรับจารีวรนั้นที่สูนานพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจารีวอนไหมพวกเรารับแต่จีวรอันในของควรโดยการถ้าทูตคือกล่าวต่อทิ่สูนั้นอย่างนี้ว่าก็จะใครผู้เป็นวัยาวิชกรบอกท่านดีหรือที่สูนพู้ต้องการจีวอนพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยาวิชกรด้วยคําดีว่า อาวุโสคนนั้นเป็นวิยวิจกรของพิสูจน์ทั้งหลายไม่พึงกล่าวว่าจงให้แก่คนนั้นหรือว่าบุคคลนั้นจับเจ็ดจับแลกเปลี่ยนหรือว่าจับจ่ายให้ห้ามชี้หรือห้ามบอกว่าให้ตีให้กับคนนั้นก็บอกว่าคนนั้นเป็นวยาวิจกรของพิสูจน์ทั้งหลายอดีตถ้าทูานนั้นสั่งวิยวิจกรนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาพิสูจนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวิยวัชกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้ว ท่านจงเข้าไปหาเขาจะให้ท่านคลอชีวรนตามการเีร่ส่ผู้ต้องการชีวรเข้าไปหาวิยาวจาิจกรแล้วพึงทวงพึงเตือนสองสาครั้งว่าอาโวโุโสอัตมาต้องการชีวรไม่พึงกล่าวว่าจงให้จีวรแก่อัตมาจงนําชีวรมาเพื่ออัตมาจงเปลียนจีวรเพื่ออัตมาจงจ่ายจีวรเพื่ออัตมาอันนี้ไม่ควรถ้าทวงเตือนสองสาครั้งอยู่ยำจีวรนั้นให้สําเปจได้ นั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พิสูจพึงไปในที่นั้นยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากไม่พึง น, นั่งบนอาสนะไม่พึงรับอามิตรไม่พึงกล่าวถามเมื่อถูกเขาถามว่าท่านมาเพื่ออะไรพึงบอกเขาเพียงเท่านี้ว่าจงรู้เอาเองเถิดผู้มีอายุถ้าพิสูจน์นั่งบนอาสนะก็ดีรับอามิตรก็ดีกล่าวทรรก็ดีชื่อว่าหักการยืน ถ้าทิศตูทวงสี่ครั้งพึงยืนได้สี่ครั้งทวงห้าครั้งพึงยืนได้สองครั้งทวงหกครั้งไม่พึงยืนเลยจึงอยู่ทวงหนึ่งครั้งหากการยืนสองครั้งแารทวงครั้งหนึ่งก็เท่ากับการยืนสองครั้งทิศตุทวงหกครั้งไม่พึงยืนฉั้นใดทิศตูยืนสิบสองครั้งย่อมไม่พึงทวงฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทวงอย่างเดียวไม่พึงยืนเลยย่อกได้การทวงหกครั้ง ถ้ายืน อ, อย่างเดียวไม่ทวงเลยย่อมได้การยืนสิบสองครั้งถ้าทั้งทวงทั้งยืนพึงหากการยืนสองครั้ง like ต <water> ่อการทวงหนึ่งครั้งในบรรดาการยืนและการทวงนั้นเตพตุใดไปทวงบ่อยๆวันเดียวเท่านั้นถึงหกครั้งหรือไปเพียงครั้งเดียวแต่พูดหกครั้งว่าผู้มีอายุอัตมาต้องการจีวรอนึ่งบรรดาการยืนและการทวงนั้นเตพตุไปยืนบ่อยๆวันเดียวเท่านั้นถึงสิบสองครั้งหรือว่า ไปครั้งเดียวแต่ยืนในที่นอนสิบสองครั้งทิกสุนายนย่อมหักการทวงทั้งหมดและการยืนทั้งหมดจะป่วยกราไปใหญ่ในเรื่องหักการทวงและการยืนของพิกษุผู้กระทำอย่างนี้ในต่างวันกันเล่าถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวร น, นั้นให้สําเร็จเป็นทุกกฎในประโยคที่พยายามเป็นนิักคีด้วยได้จีวรมาถ้าไม่อาจให้สําเร็จได้พึงไปเอกก็ได้สองทูตไปก็ได้ ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อภิกษุนั้นจะเป็นพระราชาก็ตามราชาอมานก็ตามบอกว่าท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะพิกษุใดทรัพย์นั้นหาสําเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่พิสูจนั้นไม่ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านเืนทรัพย์ของท่านอย่าได้ชิบหายเสียเลยนี้เป็นสามิจิกรรมในเรื่องนั้นอ น, นึ่งพิสูจใดไม่ไปเองไม่ส่งทูตไปต้องอาบัติทุกกฎเพราะวัตปเภทเป็นสามิจิกรรม เพราะฉะนั้นต้องไปบอกเขาให้เจ้าของเขาเอาส้างของเขาคืนเขาจะทวงเดี๋ย ว, วนีทวงนันเรื่องนึงแต่ว่าหน้าที่เราพำสุกก็คือต้องไปบอกเจ้าของเดิมเขาวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้สาธุสาธุสาธุ